หลวงพ่อไพเทศโรงพันบาลบุรีรัมย์บรรจัณโรงพยาบาลสุรินทร์บรรังคารเทศได้บุญนะได้ข้าวของเงินอะไรก็ให้เข้าไปนะช่วยโรงบาลได้ไปทำบุญอีกหลายวัดได้ไปทำบุญหลายแห่งที่เจอ เสร็จแล้วยังไปเจอพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านไม่สบาย ม, มาอยู่โรงพยาบาลพอดีเลย <c oughs> ไลยได้เข้าไปกลับคนแก่แกหนาวจั ด, จดไม่สบายกันเยอะผู้เฒ่าปอดบวมแต่พระจิตที่ฝึกมาดีนะท่านไม่สะทกสถาน ดูสดชื่นพวกเราก็ฝึกวันนี้ยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรวันข้างหน้าให้มันดีกว่า น, นี้ก็แล้วกันความดีหรือความเลวก็ต้องใช้เวลาสะสมคนกว่าจะชั่วได้ที่ก็ต้องชั่วน้อยๆก่อนกว่าจะดีได้ที่ก็ดีมาน้อยๆกันค่อยสะสมเอาทุกอย่างเป็นไปนตามที่เราทำไว้นมา ถ้าใจเราคุ้นเคยที่จะดีมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นใจเคยคุ้นเคยจะทำชั่วก็ชั่วลงไปได้แรกนิสัยคนเป็นอย่างนั้นแต่โดยธรรมชาตินะถ้าไม่ฝึกหัดอบรมจิตใจจะชั่วมากขึ้นได้ๆธรรมชาติของจิตมันจะไหลลงที่ต่ำเพราะว่าตามใจกิเลสมันทำง่าย จะสู้กิเลสสู้ยากนะตามใจกิเลสสบายสบายไม่ต้องฝึกอบรมอะไรนะจิตไหลลงไปที่ต่ําอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่จะให้ดีขึ้นนะต้องพัฒนาต้องทําลงทุนลงแรงเหมือนน้ำนะไหลลงที่ต่ำเราจะเอาน้ําขึ้นมาใช้แลต้องไปทำฝายทดน้ำนะํำยกระดับน้ําให้สูงขึ้นนะไหลเข้าไปในคลองส่งน้ําได้ มิงก็ไม่เข้าต้องลงทุนลงแรงทำเอาจิตนี้ต้องฝึกพระพุทธเจ้าสอนวิธีฝึกฝนจิตใจของเราเองไว้แล้วฝึกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาต้องทำทั้งสิน้นบางคนมคักง่ายชอบพูดบอกว่าจิตนั้นโดยธรรมชาติมันดีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปทำอะไรมันดีอยู่แล้วนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนแต่ว่าเดิมนั้นจิตมันประพัดสอนพระพัสอนว่าผ่องใสเห็นไหมจิตโดยตัวมันเองนั้นผ่องใสแต่ว่าพอกิเลสมาแล้วมันเศร้าหมองแต่ผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ก็ละเรื่องกันเลยจิตของเราโดยตัวของมันเองถ้าไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกมันก็ผ่องใส แต่มันโง่มันมีอวิชชาครอบครองอยู่เพราะงั้นมันไม่บริสุทธิ์คำ ว, ว่าประพัสอนกับคำ ว, ว่าบริสุทธิ์คนละความหมายกันน้ำใสอนนี้ประพัสอนน้าใสกลิบเลยถ้าในเต็มไปด้วยเชื้อโรคน้ำไม่ได้บริสุทธิ์กินเข้าไปก็ตายเพราเราต้องมากลั่นกลอง เอาเชโรคออกจากใจเรากิเลสออกจากใจให้ได้ต้องลงทุนลงแรงทำเอานะอยู่ดีๆมันไม่ดีขึ้นมาหรอกอยากได้ของดีก็ต้องทำพรูที่เจ้าก็สอนมานานครูบาอาจารย์ก็สอนสืบทอดกันมาพวกเราบางทีฟังธรรมะแล้วก็เฝือเือไปไม่ค่อยทำถ้าลงมือทำมันก็ต้องดีขึ้นแล้ว ไปที่สุรินนะมีหมอคนหนึ่งมาคุยด้วยบอกว่าคุยกับเขาอะนะคนสมัยพุทธกาลนะก็สมัยพวกเราไม่เหมือนกันนะพวกเราพวกที่ชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติธรรมฟังธรรมะมามากอันนั้นก็เคยฟังอันนี้ก็เคยฟังฟังด้วยหูมันไม่ได้รู้ด้วยใจ คนสมัยพุทธกาลไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสดใหม่มากๆเลยงนะั้นเขาฟังสิ่งซึ่งสดใหม่มากๆนะเขารับโดยที่ไม่มีเจือปนความคิดของตัวเองเข้าไปงั้นเขาฟังทำแล้วเขาปิ๊งปิงปิ ง, ปงของเราฟังอะไรก็คิดเอาคิดเอาเทียบกับข้อมูลเก่าอยู่เลยไม่ใช่ว่าพวกเราโง่กว่าเขาหรอกแต่ว่า ใจของเรามันเหมือนเชื้อโรคดื้อยาฟังธรรมะมากเหมือนกินยาเยอะงินมันนี่ถึงเวลาแล้วต้องลงมือปฏิบัติสติเอาแต่ฟังไม่ได้หรอกกิเลสไม่กลัวเสียงหลวงพ่อประโมทหรอกไม่กลัวหรอกกิเลสมันกลัวสติปัญญาของเราวันนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะสิ่งที่ควรเจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิยปัฏฐานสองอันอันนี้คือการฝึกจิตก็จะถึงขั้นฝึกจิตให้สงบให้มีปัญญารักษาศีลไว้ก่อนศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยทุกวันนี้คนไม่มีศีลมีธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยมันจะเหมือนที่หลวงตามหาบัวบอกมันเป็นบ้านหมาเมืองหมาหาแต่ผลประโยชน์กันอย่างเดียวเลย คิดแต่ว่าทำไงกูจะได้ทำไงกูจะได้รวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะเขารับชันก็อยู่ในหมู่ข้าราชการต่อมาก็ขยายมาสู่นักการเมืองเดี๋ยวนี้ลงมาถึงระดับรากหญ้าเป็นชาวบ้านเงั้นเรามันแทบไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยนะอนาคต บ้านเมืองเป็นยังไงนีพูดยากเมืองไทยนะเริ่มพัฒนาประเทศนะเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ตั้งแต่ราัชากาลที่ห้าพร้อมๆกับญี่ปุ่นของเราโตขึ้นมาหน่อยก็ทำลายกันเองเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะมีบทเรียนเหมือนกันเขาก็ทำผิดพลาดเหมือนกันไปก่อสงครามอะไรองนี้เขาก็ทำพลาดเหมือนกัน แต่เราพลาดมากกว่าเขาเขาทําสงครามเสร็จแล้วเขาก็เลิกแล้วของเราทําสงครามกันเองทุกวันเลยไม่มีความสงบสุขในทางโลกเนี้เราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยจะพึ่งข้าราชการเขาพึ่งยากข้าราชการก็าพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปพึ่งนักการเมืองจะพึ่งนักการเมืองก็ยากนะนักการเมืองไปพึ่งหัวคะแนนอย่งนีจะไปพึ่งหัวคะแนนก็ยาก ต้องขายเสียงให้เขาพวกเราไม่มีที่พึ่งหรอกในทางโลกทุกอย่างคำว่าเสมอภาคคำว่าเซรีภาพเลยเป็นอุดมคติหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์สมัยที่เรียนนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสามี่สิปีเดี๋ยวนี้มันตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งเยอะแล้วแก่งักแล้วไม่เห็นมันพัฒนาขึ้นเลยนะ คุณธรรมของคนนี้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเลยเราไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยวงพึ่งไม่ได้นะต้องพึ่งศีลพึ่งธรรมของเราเองคนมีศีลมีธรรมอาจจะไม่รวยนะแต่ไม่จนเราเรามีชีวิตที่พอดีพอดีพออยู่ได้เรามีชีวิตที่ไม่ขาดทุนมีศีลมีธรรม เวลานึกถึงที่ใดเราก็อิ่มอกหิมใจมีความสุขอยู่ในตัวเองมีชีวิตที่เรียบง่ายนะสบายมาฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยสำคัญมากเลยเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็มาฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเวลาจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายนะก็ไม่เขียจคร้านต้องมาเดินปัญญาต่อ แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันออกไปค่อยๆแยกไปเห็นร่างกายกับจิตเป็นโคล้านกันเห็นร่างกายกับความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายกับจิตก็เป็นโคล้านกันเห็นจิตใจกับความรู้สึกสุขทุกข์ทางจิตใจก็โคล้าน ก, กันเห็นความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงกับจิตใจก็โคล้านกันค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะ หัดกระจายขันออกไปเรื่อยๆนี่เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านผ่าเดินมาการที่เราหัดแยกตัวเราเองออกเป็นส่วนๆเป็นวิธีการหาความจริงอย่างหนึง่งเรียกว่าวิพัชชวิธีว่าแหวนสระอิพอสัเพาไม่หาอากาศช่อช้างวิพัฒไม่ใช่วิภาคนะไม่ใช่วิพากนะเป็นวิพฒัฒจับแยกออกไป พอเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วเพราะว่าแต่ละส่วนไม่มีตัวเราพอใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีคราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะมันไม่กระทบเรามันกระทบแต่ร่างกายเท่านั้นนะ้นําท่วมมันท่วมได้แต่ร่างกายนะเกิดทุพพิภพไฟโอดอาหารเพราะคนไปแย่งซื้อไปหมดแล้วเราไปซื้อไม่ทันพวกที่ซื้อไปตุนๆไว้ตอนนี้สะเทือนใจ ซื้อมาม่าตุนไม่เยอะเลยคง <c oughs> ไม่อยากกินไปอีกนานอดอยากขึ้นมานะมันก็กระทบได้แต่ร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมาก็กระทบได้แต่ร่างกายน้าท่วมก็กระทบได้แต่ร่างกายไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดกลางบ้านกลางเมืองเกิดระเบิดขึด้นมาน่มันก็กระทบแต่ร่างกายกระทบไม่ถึงจิตหรอก นี่บางคนบอกเมืองลาดบุรีจะภูเขาไฟระเบิด ร, ร, รู้ดีจังรู้รอบคอบมากมายเหลือเกินแต่เมืองชนเนี่ยไม่มีอะไรสบายนะชนแถวนี้นะ <c oughs> แถววัดหลวงพ่อเลยไม่มีอะไรมีแต่ความแห้งแลง้งใครก็น้ําท่วมนะที่นี่ก็แหง้งแล้งไม่ค่อยมีน้ำํำมีภูเขาอยู่ย่อมหนึ่งก็ ร้ยรอเต็มทีแล้วใกล้จะหมดแล้วเพราะนั้นเวลาความทุกข์หรือปัญหานานาชนิดนะในทางโลกเนะี่ยมันกระทมได้เฉพาะร่างกายจิตที่ฝึกดีแล้วนะมันพ้นจากความทุกข์ปัญหาร้ายแรงแค่ไหนก็กระทบเข้ามาไม่ถึงจิตนี่ถ้าพวกเราฝึกจิตให้ดีนะฝึกจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะั้นอะไรมากระทบร่างกายไม่ได้มากระทบเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามีความรู้สึกอะไรมากระทบจิตนะมันก็ไม่ได้กระทบเราอีกเป็นแต่ปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ที่เราฝึกเอานะมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้และไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองด้วยเป็นการที่หัดดูความจริงแยกขันไปเรื่อยๆไม่ได้หลอกตัวเอง ความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างผมขนเล็บฟันหนังนะี่ไหมมารวมกันแนละ้วมันก็เป็นตัวเรา<ม>เนื้อเอ็นกระดูกอาการสามสิบสองมารวมกันแล้วเป็นตัวเราเอาผมออกไปนะผมมันไม่ใช่เราลนะตัดเล็บออกไปนะเล็บมันก็ไม่ใช่เราลนะบางคนจะเป็นเบาหวานไปตัดขาพอใจให้เขาตัดนะไปจ้างหมอให้ตัดขาให้อีกนะเสียเงินด้วยเสียขาด้วยยอมขาไม่ใช่เราลนะ พยายามรักษาส่วนที่เหลือไว้ส่วนที่ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันอยู่ก็เป็นเราอยู่ส่วนไหนขาดออกไปแล้วแยกออกไปแล้วไม่เป็นเราและให้เก็บเอาไว้ดูเขาคงไม่ดูเนี่ยเรามาฝึกนะฝึกแยกขันไปได้มันไม่ใช่เรื่องยากค่อยๆรู้สึกไปนะนั่งสบายๆดูไปในร่างกายจะดูทั้งร่างกายเลยก็ได้จะดูทีละส่วนก็ได้ นั่งให้สบายทำใจสบายแล้วดูไปที่ผมดูด้วยใจนะไม่ต้องดูด้วยตาดูด้วยใจรละลึกไปที่เส้นผมถ้าระลึกยากช่วยมันจับหน่อยก็ได้เอามือไปรูปดูลองสัมผัสเส้นผมดูรู้สึกเปล่าว่าเป็นผมเราหรือไม่เป็นถ้าใจเรายัางหลงอยู่ในความคิดนะ้นไปรูปแล้วผมเราสรวยสวยงามสวยแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปลงไป เหมือนอะไรก็ไม่รู้นิ่มกว่าขนหมาหน่อยหนึ่งลองดูในร่างกายนะลองจับแขนตัวเองดูแมีคนสองจาพวกพวกหนึ่งรู้สึกนี่แขนเราคนที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็จะรู้สึกนี่เป็นท่อนอะไรแข็งแข็งท่อนหนึ่งบางที่ก็แข็งมากบางที่ก็แข็งน้อยรู้สึกไหม <S 2> <S 2> <S เป็นท่อนๆไม่มีเรา งีเวลาที่เราระลึกลงไปในกายในใจนะถ้าระลึกแล้วจิตหลงแล้วก็มันก็มีเราขึ้นมาถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอยูนะ่กระทบอะไรมันก็ไม่ใช่เราไปหมดนะจับหูก็ไม่รู้สึกว่าหูของเรานะมัรู้สึกแค่วัตถุอะไรอันหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกแทรกอยู่เท่านั้นเนี่คยค่อยค่ยรู้สึกค่อยคอยรู้สึกไป วันหนึ่งก็หายหลงฝึกแล้วหายหลงนะหมดความหลงว่ามีตัวมีตนยังหลงอยู่ก็มีตัวมีตนอยู่สิ่งต่างๆก็มากระทบได้รกระทบแล้วกลายเป็นเราสูญเสียเราถูกกระทบถ้าใจมันยอมรับว่าไม่มีเรามันไม่มากระทบเราลนะ้วความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ ถ้ฝึกนะฝึกให้ได้ถึงขนาด น, นี้แล้วก็สบายแล้วความทุกข์มีอยู่ธาตุขันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของไม่มีใครครวบคุมบังคับได้จริงดังนั้นธาตุขันมีอยู่นะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเรื่อถอนความเห็นผิดนะถอนความสาคัญมั่นหมายถอนความยึดถือ ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราค่อยๆรู้สึกเอานะให้รู้สึกตัวค่อยสำรวจลงไปในร่างกายเราทีละส่วนทีละส่วน mm hmm. ผมเป็นตัวเราไหมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก mm hmm. เป็นตัวเราไหมดูมไปทีละส่วนทีละส่วน mm hmm. ดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดู mm hmm. เวลาดูอย่าถลำไปดู mm hmm. อย่างก็ไปดูท้องก็อย่าให้จิตถลำไปอยู่ที่ท้อง ดูสบายๆถ้าดูด้วยใจ ย, ยากเอามือรูปเอายังรู้สึกขาเป็นเราไหมล อ, ลองนวดขาดูนะเขาจะเกิดคนสองจำพวกพวกหนึ่งเห็นว่ามันก็เป็นวัตถุเท่านั้นเองพวกหนึ่งมันเป็นขาของเรามีหลายดีกรีนะที่แ้วก็เป็นตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยตัวเราแต่พอจับเข้าทีละส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นของเราแล้ นี่ผมของเราใช่ไหมใครใค ร, ใครเห็นว่าผมเป็นตัวเราบ้างก็เพี้ยนะ่ะแต่พอมันรวมเหมนเพื่อ น, อนนะมันมีตัวเราพอเริ่มแยกส่วนเนี่ยมันลดระดับลนะจากตัวเราเป็นของเราก็รูรูปรูปรูปผมดูเป็นของเรานี่มือเราเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าภาวนาไปเรื่อยจิตถอนออกมาเป็นคนดูลดระดับอีกไม่ใช่ของเราแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมเป็นนมามธรรมเป็นของโลกไม่ใช่ของเราแนละก็พ้นจากตัวเราพ้นจากของเราไม่มีเจ้าของมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของคือคาว่าอนาตาัตตรูปนามนั้นมีอยู่แต่มันไม่มีเจ้าของค่อยฝึกนะมันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของเรามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่เดือดร้อนหรอกเห็นคนอื่นแก่เราเดือดร้อนไหมเราก็ไม่เดือดร้อนนะ ยกเป็นแฟนเราแก่เพราะอะไรมันของเราถ้าของคนอื่นจริงไม่เดือดร้อนอนะวันหนึ่งวันหนึ่งคนตายทั้งเป็นแสนแสนใช่ไหมทั่วโลกคนตายเยอะแยะเป็นแสนเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยคนในบ้านเราไม่สบายคนเดียวยังไม่ทันตายเราก็เดือดร้อนแนละ้วมันเป็นตัวเราเป็นของเรานะก็เดือดร้อนถ้าเป็นอื่นๆไปัก็ไม่เดือดร้อน งันมาหัดภาวนามาดูความจริงในกายมาดูความจริงในใจจนเห็นว่ามันเป็นของคนอื่นนะไม่ใช่เราหรอกค่อฝึกเอานะวันหนึ่งก็ทําได้ไม่ฝึกไม่หัดไม่พาจิตมันดูไปเรื่อยก็ไม่มีวันเห็นหรอกไปนั่งทําบุญใส่บาทนะสาธุนิพานปั จ, จโยโหตุใส่บาทไปแล้วก็ขอพระนิพานนิพานไม่ใช่ เส้นทางของชูชกขอเอาไม่ได้ถ้าเรเรียนรู้เอานะค่อยฝึกฝึกตัวเองทุกวันทุกวันฝึกไปไม่ยากอะไรยากไหมไปทานข้าวกันแล้วกันนี่หมดเลยครับ